ขันธจักรมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขและเพื่อปัญญาน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัดสังคาที่เศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัดสังคาที่เศษขันธจักรมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลจบ